คนอื่นสัตว์อื่นก็ย่อมเกลียดทุกข์รักศพฉันนั้นเราไม่ปรารถนาความเจ็บป่วยความตายความตกต่ำฉันใดคนอื่นสัตว์อื่นก็ไม่ปรารถนาฉันนั้นก่อนอื่นต้องพยายามทำความเปรียบเทียบในทรานองอาใจเข้ามาใส่ใจเรานึกถึงอกเขาอกเราอย่างนี้ให้เข้าใจอย่างจำแจ้งและให้สังเกตว่าความปรารถนาดีต่อตอนเองนั้นรุนแรงมาก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 อหังอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนอหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจสุขีอตานังปริหรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทิดบทใดบทหนึ่ง